เลียงร่างกาย เ, เดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็ตาฝ้าฟางหูตึงหนังเหี่ยวหลังค่อมเผลในสุกนะเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าดนะนอนอยู่กับที่ทําเหมือนอาการอากัศกิริยาของเด็กเพราะเหตุไรเพราะไม่มีไม่ได้ไปที่ไหนอยู่กับที่ผลในสุกคนนะั้ใจของมันใจมันเป็นได้ทั้งนั้นใจตรงนี้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 รับพร น, นั่นโมตนาให้พร